มีพระในพุทธศาสนาเนี่ยที่ท่านได้รับการยกย่องถือว่าเป็นผู้ยอดแห่งการปารัความเพียรเดินจนมีแต่เลือดออกในเท้าทำความเพียรมากจนทั้งมาพูได้ย่อบอกว่านี่เป็นสถานที่นี่คนเอาโคมาฆ่าเลยนี่ น, นี่มีแต่เลือดเต็ไมไปหมดจนพร้อมกระล่องกระเด้งตีนบางเหยียบท่านทำมากเป็นพรรษามีความเลื่อมใสศรัทธา ศรัทธาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาไปทำเป็นพรรษาแต่พระนกบไม่ได้อะไรมีแต่ความรู้สึกว่าอยากศึกโอ้ยเงินทองเราก็มีบริวารเราก็เยอะค่าทาาเราก็มากมายหลากหลายเราเป็นโสดด้วยซ้ำไปเรากลับไปบริโภคทรัพย์สมบัติเราจะดีกว่าทำวันนี้มันยุ่งยากแล้วก็ทำบุญบำเพ็ญกุศลไปวันวันเหมือนเราเป็นฆราวาสก็น่าจะได้ ไปฟังทำแล้วเกิดความเลื่อมใสนะเนี่ยแล้วทำท่านชื่อว่าพระโสนะโกลิวิสะโสนะโกลิวิสะจนพระพุทธเจ้าท่านทราบความปริวิตกความกระสันอย่างสึกท่านก็ไปพูดไปคุยด้วยแล้วท่านก็ผารูบความเพียรใหม่บางคนเดินเห็นไ้ยเดินจนกระทั่งหมดอันนี้นะ เดินจนทั้งเลือดแตกเลือดอาบทางชงกรมนะแต่ยังไม่ได้นะคนเล่าลือไปจนทั้งพุทธเจ้าต้องตามเดินมาดูว่าเดินมากเกินไปท่านเป็นคนทำบุญดำฐานมากก็บอกว่าประวัติท่านชีวิตท่านถวายผ้ากรมมยีสมัยเป็นฆรวาด ชาติก่อนเขเอาปูนเขาไปลุยทางจงกรมให้พระปเจกกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นท่านเดินจงกรมไปช่วยช่วยทําทางจงกรมช่วยนั่นช่วยนี่เห็นพระท่านเดินผ่านมาท่านขึ้นจังหลมพยายามแล้วก็อธิษฐานท่านอยากได้อะไรอะไรประมาณเนี้ยเอาให้มดุดไปเห็นพระกําลังเข้าพรรษาอยู่ เห็นพระปัิเจกท่านท่านดึงเอาไม้ที่มันจมอยู่ในน้ําแล้วก็เอาดึงเอาหญ้าเพื่อขึ้นไปมุงหลังคานี่เขาไปอาบน้ําอยู่ในท่าน้ําสวยงามมองอเห็นพระอริยะเจ้าท่านกำลังทํามุงหลังคาท่านด้วยหญ้าจะเข้าพรรษาแต่ว่าท่านทําอะไรโอ้จะเข้าพรรษาแล้วกําลังเอาหญ้าขึ้นมุงหลังคาว่าจะพักจำพรรษาได้ไหม กราบทนขออนุญาตเถอะขอให้ได้ทำบุญทำกุศลหน่อยเถอะพรุ่งนี้ผมจะกลับมาพร้อมกับบริวารแล้วจะมาในละมิดให้ท่านนะขอพระคุณเจ้าหยุดแต่เท่านี้เถอะเดีย๋ยวก็ทำให้นะแล้วท่านจะชอบตั้งมั่นอธิษฐานใจเหมือนให้มีชีวิตนี้สดใสมี เงินมีทองมีผิวพรรณเหมือนดอกงอนไก่เท้าเนี่ยตนีนเนเพราะว่าขนออกในตีนนะหลังเทา้าพื้นเทา้าเวลาเดินเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเหยียบท้าวไม่รู้สึกว่าเหยียบหินที่มันขรุขระเพราะมันมีแต่ขนตีนนะขนยาวสี่นิ้วปกปุยไปมีความสุขไม่มีความสุข ไปไหนก็มีคำถามเสียงนี้เล่าลือไปถึงพระเจ้าพิมพิสารนะคนเขาเล่าลือว่าในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งสุคุมมลราชาอยากดูฝ่าเท้ามานะันทําไงน้อจะดูฝ่าเท้ามันแต่เอาตีนไว้พระเจ้าปินดูเนะี่ยยกฝ่าตีนดูมันก็ไหลอยู่นะพระเจ้าปดินก็หาอุบายว่าทําไงจึงจะดูฝ่าเท้าเด็กคนนี้ได้เด็กหนุ่มคนนี้ แม่เขาก็หาอุบายว่าจะทําไงจะเอาเท้าให้พระเจ้าไปดินดูได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ายกเท้าให้ท่านดูวันนั้นแหละวันที่เข้าไปในพระราชาวังพ ร, พระเจ้าปิฎิลว่าวันนี้กลัวแกไม่ไปก็เลยว่าจะประชุมประชาคมหมู่บ้านเนี่ยโน้นอนี้นะชาวบ้านเราทั้งหลายเด็กหนุ่มทั้งหลายนี่ให้มานะจะมอบนโะยบายนะั่นในวันนี้นั้นคนนี้ก็เป็นคนหนุ่มก็ต้องหามแกไปมันก็บอก ไปนั่งต่อหน้าพระราชาคนไหน ย, ยังไม่เคยเข้าพระราชวังนั่งข้างหน้านะนั่งตามสะดวกแม่บอกว่าลูกต้องนั่งขัดสมาธิเพชรนะพรานั่งขัดสมาธิแล้วเนี่ยฝ่าเท้ามันจะหงายขึ้นเองแล้วท่านจะมองเห็นนะวันนั้นเผอิญว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่พูดเรื่องสัจจะของพระพุทธเจ้าให้ฟังพูดถึงเรื่องความจริงที่พระเจ้าเคยสอนเคยฟังมานะ่ะ พิมพิาสารนี่เป็นแต่ก่อนเป็นนักเลงหญิงนะชอบเที่ยวซ่องนะพระเจ้าพิมพิาสารเนี่ยพระเจ้าอาจารยศัตรูพระเจ้ า, ะจ า, ะจาอะไรเป็นลูกของท่านดิงแล้วแม้แต่หมอชีวโกโกมาละพัฒที่เ็เป็นผลผลิตของพระเจ้าพิมพิาสารในซ่องนะนะเป็นลูกที่เกิดจากเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเจ้าจอมเนี่ย ท่านชอบไปทางนั้นเมื่อก่อนเป็นงั้นชีวิตท่านแต่หลังจากเข้าทางธรรมแล้วเนี่ยท่านเรียบร้อยมากะเรียบร้อยก็กล่าวทำคนนี้แค่ฟังธรรมมันนี้เฉยๆเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเลยนะแล้วก็เดินจุกรมทความเบียทั้งวัดเลือดไหลทางตีนทางไม่ใช่เลือดไหลแล้วเลือดซึมพอเหยียบไปปุ๊บมันก็จะซึมหมอกกดเหยียบซึมหมอกสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่อนุ ญ, ญาตให้พระสงฆ์นี่ใส่รองเท้านะสาเหตุเกิดจากพระองค์นี้นะ ที่ใส่รองเท้าที่แรกก็ฉั้นหนึ่งแต่บอกว่าท่านว่าถ้าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้หมมฉันให้กับผมใส่คนเดียวอุปลับไม่ได้ผมคงไม่มีรองเท้าตลอดชีวิตทําไปแบบนี้แหละเวียนไว้แต่ว่าพระพุทธเจ้าจะอนุญาตให้พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือใส่รองเท้าได้คนอื่นก็ใส่ได้นี่ผมต้งจะรับใส่ถ้าให้ใส่ผมคนเดียวผมไม่เอาแม้จะเลือดไหลก็ตามว่าค่อยๆไป ดูดิทำความเพียนมากขนาดนั้นแต่เพาเิาเนว่าสมัยก่อนท่านเป็นนะท่านเล่นคีย์บอร์ดเล่นกีตาร์พระพูทธเจ้าบว่าเคยไหมไหนว่าเธอเป็นนักดนตรนีมันมีอยู่สามสายอะตึงมากก็ไม่ดีหย่อนมากก็ไม่ดีกลางๆถึงจะดี ลองเล่าสรรพคุณของสายที่ตึงที่หย่อนที่กลางนี้เวลาขึ้นสายเวลาเนี่ยอ๋อท่านก็รู้ดังนท่านก็ไปทำความเพียรต่อปีที่สองโดยปา ร, รบพินสามสายเนี่ยแล้วท่านก็บรรลุทำนะก็เข้าถึงทมทำความเพียรบ่อยๆทุกวันทุกวันมีศรัทธามากขนาด น, นี้นะทำผิดก็ผิดนะทำถูกก็ถูก นับภาษาอะไรไม่ศรัท ธ, ธายิ่งไม่ศรัท ธ, ธาตกันบำเพ็ญเพียรทำเล่นลีนน่สติสมาธิมันจะเกิดให้หรือนะที่นี่มาปฏิบัติธรรมมาค้นว่ากิติตสรรับเล่าลือว่าโหดอันนี้ถ้าทาไม่ทําปานีล้วคุณจะออกจากความง่วงเป็นเลยถ้าไม่ตั้งใจฝึกสตินี่มันจะผ่านอารมณ์ความฟาุ้งส่านความปงแต่ง ความรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะปากฏให้หรือถ้าไม่สอนไม่ดุไม่ด่ไดาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ตักเตือนนี่มันจะสงบสงบไป น, นีเหรอหลายคนมันจะไม่รบกวนกันหรือเงื่อนไขการศึกษาการปฏิบัติจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่ครบองค์จริงๆช่วยคนคนหนึ่งไม่ได้นะยิ่งถ้าเป็นหมู่เป็นคณะนี่ยิ่งลาบาก ลำบากว่ามันมีทั้งคนตั้งใจคนไม่ตั้งใจแล้วโอกาสของมารก็เกิดง่ายเพราะเราระวังคนหนึ่งคนหนึ่งก็ไม่ได้ระวังคนจะถูกมารเข้าสิงด้วยธรรมชาติคือคนเนี้ยก็จะไปคุยกับคนโน้นอีกคนนี้เบื่อหน่ายที่คนนั้ น, น, นก็รังวงคนนี้ก็อนอนคนนี้เก็เจ็บปวดคนเมือม่อยสัตว์ไปมา มันกลายเป็นซึมซับเข้ากันหมดวันนี้นี่พระองค์นี้แหละที่บัญญัติที่ไปพูดคำสอนไว้ท่านกล่าวว่าจงตัดออกห้าแล้วละทิ้งห้าทำให้เจริญเติบโตอีกห้าบคุคคลใดก็ตามพ้นจากเรื่องผูกพันห้าชนิดนี้แล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้ข้ามห้วงน้ำได้อย่างปลอดภัย ภาษิตนี่มาจากพระสโสดาโกริวิสาก็คือในเบื้องต้นเห็นโอรัมบาคีสังโยตสังโยชตในเบื้องต่ำห้ามนุษย์เราเนี่ยทําลายสังโยตได้สิบตัวก็จบมากผลสังโยตเบื้องต่ำห้าตัวตัดออกให้ได้สังโยชนะไม่ใช่นิวร์นนะสังโยตห้าสังโยตเบื้องสูงได้ทําให้เจริญเติบโตอีห้ใน 5. สังโย์เบื้องสูง ทำลายสังโยชน์เบื้องสูงอีกห้าทำให้เจริญเติบโตอีกห้าคือเจริญอินรียห้าเนะี่ยมันเข้มแข็งศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเนะี่ยต้องเข้มแข็งต้องมากทำอินรียห้ามันผุดผ่องนะบริสุทธิ์สะอาดขึ้นมามันถึงจะเป็นมักเป็นผลไว้ ค้นจากเครื่องผูกพันห้าชนิดนี้เครื่องผูกพันอุปท า, านขันอุปท า, านสี่ที่ปรากฏอยู่ในขันห้าอุปท า, านสี่ที่มาผูกพันขันห้าเครื่องผูกพันห้าข้ามพ้นได้อย่างปลอดภัยหรือเรียกหนึ่งว่าได้กรรมมาคุณห้ากรรมคุณห้าคือเราชอบความใคร่ทางรูปรสกลิ่นเสียง สัมผัสอารมณ์เนี่ใหอย่างรูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกริ้นกายเนะี่ยเป็นกรรมาคุณที่มันเกิดทําให้เกิดความใคร้เราพ้นไม่เครื่องปลูกพันธุยเนี่ยไม่ส่วนมากเราทําเพื่ออะไรเพื่อหาอร่อยอร่อยสวยๆเงามๆอะไรอยู่ประมาณนี้จิตอยู่แค่นี้เองดงนั้นถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็ไม่พ้นเราอยากข้ามฝั่งแต่เราก็ไม่อยากข้าม เราข้ามมาทางนี้ดิล้วก็ไม่อยากข้ามเหมือนนกมีเรือแล้วเขาจะเลี้ยงนกเอาไว้เวลาเขาออกไปเที่ยวทะเลไกลๆเนี่ยถ้าในโบราณเนะ่ยเขาจะมีเลี้ยงนกอย่างนกพิราบนกอะไรเนี่ยเขาจะไว้ในเรือเวลามันออกไปเนี่ยโลกนี่เราก็เข้าใจแบบ ชิสโตเฟอร์โคลัมปัต์นะแบบว่าโลกนี้มันกลมถ้าเราขี่เรือไปข้อพิสูจน์ว่าโลกกลมคือมันสามารถเห็นเสากระโดงเรือก่อนนะมันไม่สามารถเห็นตัวเรือถ้ามันโลกแบนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้แต่โลกมันกลมแรง่งเรื่องดูดน้มันจะค้งโค้งนะคำว่าโลกนี้มัน กรมเขาพิสูจน์ว่าโลกกรมเขาเป็นแบบนั้นเห็นเสาสุวรงเรือก่อนเวลาเราขี่ไปไกลๆเนี่ยมไม่สามารถที่มองเห็นฝั่งนะเมื่อมันไม่เห็นฝั่งไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยชักใบเรือให้ลมพัดไปทางนั้นพัดไปทางนี้นมันไม่รู้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่รู้ว่าลมบกหรือลมทะเล จะพัดกลางใบออกไปสู่ทะเลหรือเข้าฝั่งไม่รู้นะพอเราไม่รู้นี่เราไปไม่ถูกทางนะเขาก็าจะเลี้ยงนกเอาไว้ในเรือนี่พอไปใกล้ทิศนี้ทิศนั้นเขาพอรู้จักแล้วเขาจะโยนนกขึ้นไปในอากาศนกนี่พอบินขึ้นท้องสูงเนี่ยมันจะมองดูแล้วมันจะรู้ว่าฝั่งมันอยู่ทางไหน มันจะบินเข้าไปหาฝั่งนกเนี่ยแล้วเขาจะชักใบเรือไปทางนั้นแต่ถ้ามันออกไกลทะเลถ้าโยนนกขึ้นไปในอากาศปล่อยขึ้นไปเนี่ยมันมองไม่เห็นฝั่งแล้วมันอยู่ไกลเกินนกมันจะบินลงมาที่เดิมมันลงมาที่ทะเลที่ที่เรือมันไม่บินออกไปเพราะมันรู้ว่าไปไม่ถึงแล้วมันไกลแล้วมองไม่เห็นฝั่ง คนก็เหมือนกันนะท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าท่านไม่เห็นฝั่งของสัจจะท่านก็จะเหมือนนกนั่นแหละคือโยนขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมาโยนท่ามกลางมาเนี่ยท่านไม่เห็นฝั่งท่านก็ต้องบินกลับเข้าไปที่เดิมนะไปอยู่กับกราร ม, มาคุณเหมือนเดิมถ้าตัวไหนโยนเข้าไปปุ๊บมันบินไป้มันไปเลยมันเข้าฝั่งหาฝั่งได้ทันที แต่ถ้าเรื อ, อ น, นี่อยู่ในกลางทะเลนะ่เดยกก็ถูกคลื่นซัดเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงมาชีวิตเราอยู่กับเกิดแก่เจ็บตายนะถูกมัจจุราชครอบงําอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จะผุพังวันไหนไม่รู้จะเสื่อมวันไหนอ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่เราก็หลงพอใจที่จะอยู่ในเรืออันนั้นลอยเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางทะเลนี่ ทั้งที่เราเองก็เป็นนกที่มันมีปีกปีกมีเขาบอกปีกมันมีแต่มันถูกคุมขังเพราะมันติดอาหารติดอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ในเรือนั่นมันไม่อยากไปมันพอเขาโยนปุ๊บขึ้นไปมันฉลาดมันบินเข้าฝั่งแล้วปลอดภัยดีฝั่งคือที่อยู่จิตของพออะรอะอริยเจ้านะเป็นที่พักใจชีวิตเนี่ยก้าวไปให้ถึง จะเป็นเหมือนนกที่บินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงพรพอมันมองไม่เห็นฝั่งถ้า ม, มันมีความกลับมาที่เดิมปฏิบั ต, ติต้องให้เห็นฝั่งต้องให้เห็นฝั่งฝั่งแห่งพระนิพพานฝั่งแห่งความพ้นทุกข์ฝั่งแห่งการสิ้นอุปทานฝั่งที่มันเป็นพพเป็นชาติเนี่ยเราต้องเห็นฝั่งมันเพื่อจะบินเข้าไปหาฝั่งให้ได้ เราไม่อยู่กับมานนี่เพราะอันนี้มันผุพังมันเสื่อมสลาย